3. วิเคราะห์ความหมายของไตรลักษณ์พึ่งสังเกตว่าหลักขันหหรือเบญจขันในบทที่1ก็ดีหลักอาญัตนาหหรือสลายตนะในบทที่สองก็ดีแสดงเนื้อหาของชีวิตเน้นการศึกษาพิจารณาเกี่ยวกับชีวิตคือว่าด้วยขันหที่เป็นภายในและอาญัตนะภายในเป็นสำคัญ ส่วนหลักไตรลักษณ์ในบทที่3นี้ขยายขอบเขตการพิจารณาออกไปอย่างกว้างขวางครอบคลุมทั้งขันห้าที่เป็นภายในและขันห้าที่เป็นภายนอกทั้งอายตนะภายในและอายตนะภายนอกเป็นการมองทั้งชีวิตและสิ่งทั้งปวงที่ชีวิตเกี่ยวข้องคือว่าด้วยชีวิตและโลกทั่วไปทั้งหมดทั้งสิน้นความหมายของไตรลักษณ์แต่ละข้อได้แสดงไว้พอเห็นเขาในเบื้องต้นแล้ว ในที่นี้จะวิเคราะห์ความหมายของไตรลักษ์เหล่านั้นให้ละเอียดลึกซึ้งลงไปอีกตามหลักวิชาโดยหลักฐานในคัมภีร์วิเคราะห์ความหมายของไตรลักษณ์ข้อที่หนึ่งอนิจจตาและอนิจจลักษณะคัมภีร์ปฏิสัมพิธามักแสดงอัถฐคือแสดงความหมายของอนิจจตาไว้อย่างเดียวว่าอนิจจังขยัตเถนะชื่อว่าเป็นอนิจจังโดยความหมายว่า เป็นของสิ้นไปสิ้นไปหมายความว่าเกิดขึ้นที่ไหนเมื่อใดก็ดับไปที่นั่นเมื่อนั้นเช่นรูปธรรมในอดีตก็ดับไปในอดีตไม่มาถึงขณะ น, นี้รูปในขณะ น, นี้ก็ดับไปที่นี่ไม่ไปถึงข้างหน้ารูปในอนาคตก็จะเกิดถัดต่อไปก็จะดับณที่นั้นเองไม่ยืนอยู่ถึงเวลาต่อไปอีก ดังนี้เป็นต้นต่อมาในคมพีชั้นอัตตกถาท่านต้องการให้ผู้ศึกษาเข้าใจง่ายขึ้นจึงได้ขยายความหมายออกไปโดยในยะต่างๆยักย้ายคําอธิบายออกไปให้เห็นความหมายในหลายๆแง่และหลายๆระดับตั้งแต่ระดับคร่าวๆหยับหยาบลงมาจนถึงความเป็นไปในแต่ละขณะแต่ละขณะเช่นเมื่อมองชีวิตของคน เบื้องต้นก็มองอย่างง่ายๆดูช่วงชีวิตทั้งหมดก็จะเห็นว่าชีวิตมีการเกิดและการแตกดับเริ่มต้นด้วยการเกิดและสิ้นสุดลงด้วยความตายเมื่อซอยลงไปอีกก็ยิ่งเห็นความเกิดและความดับหรือการเริ่มต้นและการแตกสลายกระชั้นถี่เข้ามาเป็นช่วงวัยหนึ่งวัยหนึ่งช่วงระยะ10บปีหนึ่งสปีหนึ่งช่วงปีหนึ่งปีหนึ่ง ช่วงฤดูหนึ่งฤดูหนึ่งช่วงเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งจนถึงช่วงยามหนึ่งยามหนึ่งตลอดถึงช่วงเวลาขยับเ ข, ขยื้นเคลื่อนไหวแต่ละครั้งแต่ละหนจนกระทั่งมองเห็นความเกิดดับที่เป็นไปในทุกๆุกขณะซึ่งเป็นของมองเห็นได้ยากสําหรับคนทั่วไปอย่างไรก็ตามในสมัยปัจจุบันนี้ที่วิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้ามากแล้ว อนิจจตาหรือความไม่เที่ยงโดยเฉพาะในด้านรูปธรรมเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ง่ายขึ้นมากจนเกือบจะกลายเป็นของสามัญไปแล้วทฤษฎีต่างๆตั้งแต่ทฤษฎีว่าด้วยการเกิดดับของดาวลงมาจนถึงทฤษฎีว่าด้วยการสลายตัวของปรมาณูล้วนใช้ช่วยอธิบายหลักอนิจจตาได้ทั้งสิน้นที่ว่าคำพีชันอัตตกถายักเยื้องคาอธิบายออกไปหลายแง่ ขยายความหมายออกไปโดยนัยะต่างๆนั้นเช่นบางแห่งท่านอธิบายว่าที่ชื่อว่าเป็นอนิจจงก็เพราะเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้ยั่งยืนคงอยู่ตลอดไปและเพราะเป็นสิ่งที่มีความเริ่มต้นและความสิ้นสุดมีจุดเริ่มและมีจุดจบแต่คำอธิบายอย่างง่ายๆที่ใช้บ่อยก็คือข้อความว่าชื่อว่าเป็นอนิจจงโดยความหมายว่า เป็นสิ่งที่มีแล้วก็ไม่มีคือมีหรือปรากฏขึ้นแล้วก็หมดหรือหายไปบางแห่งก็นำข้อความอื่นมาอธิบายเสริมเข้ากับข้อความนี้อีกเช่นว่าชื่อว่าเป็นอนิจจังเพราะเกิดขึ้นเสื่อมสลายและกลายเป็นอย่างอื่นหรือเพราะมีแล้วก็ไม่มีแต่ที่ถือว่าท่านประมวลความหมายต่างๆมาแสดงไว้โดยครบถ้วนก็คือ การแสดงอัฏฐะแห่งอนิจจตาเป็นสีนัยะหมายความว่าเป็นอนิจจังด้วยเหตุผลสี่อย่างคือเหตุผลที่หนึ่งอุปาทวยยบปวัตติโตเพราะเป็นไปโดยการเกิดและการสลายคือเกิดดับเกิดดับมีแล้วก็ไม่มีเหตุผลที่สองวิปริณามโตเพราะเป็นของแปรปรวน คือเปลี่ยนแปลงแปรสภาพไปเรื่อยๆเหตุผลที่สาตาวกาลิกโตเพราะเป็นของชั่วคราวอยู่ได้ชั่วขณะชั่วขณะเหตุผลที่สนิจจะปฏิเขปะโตเพราะแย้งต่อความเที่ยงคือสภาวะของมันที่เป็นสิ่งไม่เที่ยงนั้นขัดกันอยู่เองในตัวกับความเที่ยงหรือโดยสภาวะของมันเองก็ปฏิเสธความเที่ยงอยู่ในตัว เมื่อมองดูรู้เห็นตรงตามสภาวะของมันแล้วก็จะหาไม่พบความเที่ยงเลยถึงคนจะพยายามมองให้เห็นเป็นเที่ยงมันก็ไม่ยอมเที่ยงตามที่คนอยากจึงเรียกว่ามันปฏิเสธความเที่ยง